แต่ปีนี้วันที่สิบวันที่สิบพฤษภาเนียฮะไปตรงกับทางจันทรคติเหมือนปีเกิดถึงตือแปลกมากเกิตรววันพูดขึ้นสิบสองค่มเดือนหกแต่ไม่ใช่ปีจอแต่นั้นเองก็ยังนึกว่าวันนั้นก็คงจะทําบุญอะไรอีกสักอย่างเพราะว่ามาลงตัวอย่างนี้ก็ก็คงงานนานครั้ง ก็ทาให้เห็นคือตั้งแต่อายุหกสิบเนี่ยมันมันก็ดียางนะคือมอนมนสติเนี่ยมันเกิดเรื่อยคือนึกถึงคว า, ามตายได้เด็ยๆเมื่อคืนวานเนี่ยมันไปเกิดแพ้ยาอย่างที่เคยแพ้เมื่อต้นปีเกิดหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากแล้วก็นึกได้ว่าหมอเขาให้ยาแก่แก้แพ้ไว้อย่าง รีบสันไปหลับตีสีกว่าล้วมันมันก็เห็นชีวิตกับความตายมันใกล้กันสองครั้งเนี่ยก็ก็ก็รู้สึกว่าเอ็มก็ดีเหมือนกันนะถ้าตายเพราะว่ามันมันมันสงบอ่ะสงบก็ตัดข้างบนอะไรไปไปหมดมันสงบเฉยๆก็ดูเฉยๆแต่พอดีไม่ตายมันก็มันก็อยู่ต่อไปก็ มันทาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นหนึ่งก็แสดงว่าใกล้าตายมากงขึ้ น, นโอกาสที่จะทำความดีมันก็น้อยลงเพราะงั้นต้องรีบเร่งซึ่งหมายความว่าทุกท่านมันก็ผ่านการเวลามาในลักษณะนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่ควรกระตุ้นเตือนเป็นพิเศษก็คือเรื่องเรื่องการดารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท พยายามใช้โอกาสเวลาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเท่าไรเราก็ไม่รู้หรอกพยายามสร้างสมความดีไว้มากๆบางก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของเราเหล่าพุทธบริษัททางหลายได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ทุกท่าน ประสความสุขกายสบายใจปราศจากทุกสศขโรคภัยมีความก้าวหน้าความสมิจในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกันและขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยเจตุรพิทักร์นั้นสีประการเกือยุวนาสุขภะละอีกทั้งปฏิพานธนสารสุบัต ทั้งในส่วนที่เป็นคุณธรรมภายในใจและในส่วนที่เป็นโลิยสมบัติเพื่อสามารถครองชีวิตอยู่ด้วยความสุขในปัจจุบันและเกือกูลให้ได้ความสุขในสมรายาญพภายภาคหน้าโดยทั่วกันทุกทท่านคือก็รับหนังสือปัญญารักษาตนไว้คนละเล่มนะฮะอยู่ข้างนอก ไอ้ไอาจารย์าทีมัววางไว้ข้งนอกขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอปริหานิยสูตรคือสูตรว่าด้วยความไม่เสื่อมที่จะให้เกิดเป็นความเจริญโดยส่วนเดียวประสูตรในลักษณะนี้ที่จริงมีแยะนะ แล้วก็เรียกคําเดียวกันคืออภิริหารนิยต์แปลว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเลยจะก่อให้เกิดเป็นความเจริญอย่านี้เคยบรรยายในเรื่องมหาปริพานสูตรคือเป็นประสูตรที่ซ้อนประสูตรมีประสูตรเล็กๆปรากฏอยู่ในมหาปริพานสูตรเป็นนันมากก็เรียกว่ารุ่ม ร่วมสิบข้อนะเรียกชื่อเหมือนกันว่าอาริหานิยะแตธรรมะเป็นไปเพื่ความไม่เสื่อมแล้วก็ให้เกิดความเจริญส่งจบลงด้วยคำว่าวุททิเยวะพิกเวภิคุนังปาติการคานโนปริหานิคือหวังได้เฉพาะความเจริญอย่างเดียวความเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นในแง่ขององธรรมเป็นองธรรมที่ปรากฏ ดูในที่ต่างๆมากเราเคยพูดเรื่องเสขะปฏิปทานสุดแล้วก็มีธรรมะสี่ข้อนีจ้จาพูดถึงเรื่องเจตุปาริสุที่ศีลแล้วก็มีองค์ธรรมเหล่านี้อยู่แต่ว่าไม่ครบคือเป็นธรรมะที่เป็นฐานหลักประการแรกทรงแสดงถึงการสำรวมใน พระปาฏิโมกข์และแก่บทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายพูดง่ายว่าตั้งมั่นในศีลเป็นการแสดงแก่พระสงฆ์มันก็ประลบพระสงฆ์เป็นหลักแต่อย่างที่บอกแล้วว่าธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายเรื่องตรงนี้อย่างที่เคยพูดถึงเรื่องแนวการสอนสองแนวของพระพุทธเจ้า แนวหนึ่งที่เรียกว่าปริยายคือในยะหนึ่งเนยะหนึ่งอีกแนวหนึ่งที่เรียกว่านิปริยายคือลงตัวเหมือนกันทุกตัวอกักษรใช้ศัพท์เหมือนกันข้อความเท่ากันเหมือนกันทุกแห่งแล้วจะซ้ําๆไม่ได้ถามมากี่ร้อยครั้งนะถามมากี่พันครั้งคือซ้ำอย่างเงี้ยเพราะมันลงตัวทุกทีเป็นสูตรหลักถึงให้ มีการสำรวมระวังในประปาฏิโมกข์คือบทบัญญัติของสีขาวบทก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครอย่างว่าเป็นภิกษุภิกษุณีก็ตามบทบัญญัติทั้งท่านสาธุชนทั้งหลายก็มีอยู่สองระดับระดับของศีห5าระดับของศีแปดแต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยความเป็นวสุปสิกาก็กำหนดอยู่ที่ศีห่าโดยเราใครจะ มีกุศลและฉันทะที่ดีๆือพอใจที่จะปฏิบัติรักษาศีลแปทดลองดูบ้างก็ดีหรือไ ม, ไม่ไม่ทดลองดูขนาดศีลแปก็เอาแค่อุโบสถอุบสถที่จริงไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะพอเราเริ่มรับตอนสี่โมงสี่โมงเช้ า, าแสดงไว้แล้วเวลาก็ผ่านไปก็ประมาณสัก20สสชั่วโมงถึง19อาจจะ19กกว่ากว่าได้ทำไ รักษาระยะสั้นๆก็แสดงว่าการสํารวจระวังตรงนี้มันคงมีปัญหาอยู่ข้อเดียวคือข้อวิกาคือคือกินข้าวตอนเย็นเท่า น, นั้นเองเนี่ยก็อื่นมันก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรนักหนาแต่จริงก็กินก็ลดลดจบ้างก็ดีเหมือนกันก็ทําให้กายมันเบาขึ้นแล้วก็ก็อยากค่าใช้จ่ายน้อยลงแจะจะทรงแสดงเหมือนกันว่า สมบูรณ์ด้วยอาจาระอาจาระแปลว่าความประพฤติเป็นคุณสมบัติพูดง่ายๆว่าเป็นสมบัติพุดดีมันบางทีไม่ใช่มัมนมีปัญหาเรื่องศีลอะไรเราแต่ไปมีปัญหาเรื่องกาลเทศะคือกลุ่มคนบุคคลแล้วก็สถานที่เวลามาความสถานะของเราเป็นใคร เวลาเนี้ยอยู่ในกลุ่มคนตรงนี้ในสถานที่อย่างนี้เวลาอย่างนี้แล้วความเหมาะความควรมาอยู่ตรงไหนการจะลุกจะนั่งจะเดินจะพูดจะอะไรต่ไรเนี่ยให้มันเหมาะควรอย่างไงมันก็เกิดขึ้นในจิตสำนึกทานเรียกว่าอาจฉริยเป็นมัญญาที่เหมาะที่ควรแก่สถานะตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไป ซึ่งตาปกติอิยาบททั้งหลายถ้าไม่เป็นบาปเราก็เคลื่อนไหวได้เราก็ทำได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่กาลเทศะเราจึงเห็นว่าในวินัยกำหนดกำหนดพระเอาไว้เวลาเข้าบ้านเนี่ยนะอิยาบทพระภายในบ้านที่จริงไม่ค่อยสนุกกันนะะเพราะมันถูกบีบโดยการใช้อิยาบทมากกำหนดไว้เป็นวินัยในการนั่งในการพูดในการ ใช้อิยบท ต, ต่างๆนี่วางไว้เยอะภายในบ้านแต่ตรงนั้นถ้าถ้าอยู่ภายในวัดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะที่ท่านห้ามภา ย, ภายในบ้านเนี่ยภายในวัดแล้วก็ไม่ได้ผิดอยู่ในป่าก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับการลเทศะคือสถานที่ที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรกับสถานะของคนทีนี้อย่างญาติทั้งหลายที่เป็นบวชสักดิ์ศักดิ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่า แต่บ้านนี่เขารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนเขาวัดควังธรรมจำศีลมันก็คล้ายๆเป็นยี่ห้อไปที่ไหนนี่มันภาพมันซ้อนกันอยู่ระหว่างคนธรรมดากับคนเขาวัดแต่ภาพที่เด่นก็คือภาพเป็นคนเขาวัดเขาวัดความธรรมจำศีลอยู่่ถานที่บางแห่งคนอื่นก็ไปได้เราไปไม่ได้อิยาบทบางอย่างคนอื่นใช้ได้เราใช้ไม่ได้ คำพูดบางอย่างคนบางพวกก็ใช้ได้แต่เราใช้ไม่ได้นี้เ็าเรียกว่าเป็นอาจาระคือมัน ญ, ญา้เป็นการสอนให้วางตนเหมาะสมควบคุมตัวเองได้แล้วก็โคจรคือสถานที่สถานที่ที่ควรไปไม่ควรไปตรงนี้คนนั้นไปได้คนนี้ไปไม่ได้ ตัวนี้แต่งตัวอย่างนี้ไปได้แต่งตัวอย่างนี้ไปไม่ได้อย่างข้าราชการที่ก็ต้องการไปในสถานที่บางแห่งเนี่ยเขาจะเอาชุดอยู่ในฟอร์มของมาคนเท่าชุดนั้นออกมันก็ไปได้ผสมกลมกลืนกันไปแต่ว่าถ้าแต่งชุดเต็มยศเข้าไปแล้วไม่เหมาะไม่ควรเพราะโคจรคือสถานที่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ วันก่อนนี่มีข่าวพระไปลาดไปกัดอยากไปเดินหลงเข้าไปในคาสิโนปุ้ยมันนังสือผี่มันเล่นจะแย่เลยเดีวสอบถามทีหลังปรากฏว่ามันพลัดกับเพื่นเนะี่ยเดินกันไปเดินมาแล้วก็หลงเข้าไปก็หานะเดี๋ยวหาเพื่อนหาไม่เจอก็เดินเดินเข้าไปก็คนก็เห็นนะคนก็เห็นบรดวคนไทยก็เห็น ก็พูดเป็นว่าพระเข้าคาสิโนเรากลายเป็นข่าวมาเล่นอยู่ในเมืองไทยถ้าชาวบ้านไปมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะตรงนี้บางครั้งในถ้าเรื่องคนอื่นคือเรื่องศีลเนี่ยอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนะว่าเต็มมาปฏิบัติทั้งหมดมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นหมายความว่าแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนของตัวเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่น ส่วนคนอื่นนั้นเราต้องมองเขาด้วยเมตตามองด้วยความเข้าใจมองด้วยการให้อภัยมองด้วยอดทนมองด้วยรอคอยอะไรที่พอพูดจา ว, ว่ากล่าวกันได้ก็พูดจาวันกล่าวแต่จะไม่ใช้การตัดสินซะก่อนหมายความว่าเราก็ไปคุยกันสอบถามตรงนี้เราพอช่วยได้ไหมถ้าพอช่วยเราก็ช่วยช่วยไม่ได้ล้วก็หาคนช่วยได้ไหมถ้าหาไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไง คือเราไม่มีสิทธิ์จะไปด่าไปว่าอะไรเขาเพราะการด่าว่านั้นเป็นการประพฤติที่ผิดธรรมการด่าต้องด่าด้วยโทสะด่าด้วยริษยาด่าด้วยแข็งดีด่าด้วยดูมินนะแล้วเราจะเห็นอาการังกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจต่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปเห็นคนอื่นกระทาไม่เหมาะไม่ควรก็เป็นเรื่องของเขาบางทีเราก็เสียดายที่เขาเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะแต่เขาไปทําไปแล้วเราก็ต้องปล่อยเป็นกรรมของเขา เงั้นแนวตรงนี้มันจึงมีแนวอยู่สองแนวว่าแนวตรงใดระดับใดที่อนุเคราะห์ชื่อยเหลือบอกกล่าวกันได้ก็บอกกล่าวกันบางจุดบางระดับมันก็นอกวิสัยที่จะบอกกล่าวเราก็ต้องถือเป็นกฎของกรรมคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติกับพระเทวทัรรมนะฮะแต่ตั้งหลายลองสังเกตตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบเป็นแบบของบรมครูนะว่าปฏิบัติอย่างเนี้ยในฐานะที่ประเทวทัรรมมอบกายถวายชีวิตมา อยู่ในสำนักของพระองค์พระเทวทัตรมผิดก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามให้สติว่ากันไปเรื่อยนะฮะพอถึงวันหนึ่งท่านประกาศแยกตัวออกจากสงฆ์มนเล่นแรงก็ประกาศคนเดียวก็ประกาศไปมีเอาพระใหม่ไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ส่งพระสาริบุตรพระโมคคัลลนะไปเอาคืนมาก็พระเทวทัตท่านแยกแล้วก็ไม่จะว่ายอย่างไงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ประกาศแยกอับไปเอามาันก่อน แล้วเพื่อจะเรารับผิดชอบไม่ได้แล้วนะฮะเพราะท่านประกาศแจกไปแล้วคณะสงฆ์ก็ประกาศเขาเรียกประกาศเสนียกรรมประกาศให้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าพระเทวทัตเวลานี้ท่านประกาศแจกตัวออกไปแล้วการกระทาทั้งหมดของพระเทวทัตคณะสงฆ์ไม่รับผิดชอบครับแต่เราไม่ไปทำอะไรท่านเน่ยนะไม่ทําอะไรท่านพอถึงจุดหนึ่งท่านเกิดจิตสํานึกท่านท่านมาขอขามาลาโทษพรพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของท่านเองแต่ว่า ตรงนี้เราจะเห็นถึงจุดของอุเบกขาคือใช้ให้เป็นไปตามกระแสกำรรนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาก็ปล่อยก็ไป <c oughs> นั่นก็คือการปฏิบัติในส่วนของเรื่องศีลหมายความว่าศีลเนี่ยจริงๆเรารับผิดชอบของเราเองมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปรับผิดชอบคนอื่น แต่ละคนมันเหมือนกับกฎจราจรนะฮะกฎจราจรนี่เห็นชัดมากเลยครับรถรับคารุกฎจราจรเรารับผิดชอบเฉพาะตัวเราไม่ต้องไปบุ่นวายไม่ต้องไปว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นจะแซงแซงซ้ายแซงขวาเรื่องของเขาเรารับผิดชอบไม่ให้เราชนเขาแล้วเขาชนเราก็พอแล้วแล้วให้ถูกกฎจราจรเท่านั้นเองทีนี้จิตสํานึกตรงนี้ท่านบอกว่ามีปกติเห็นหน้ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อย มาความพืชอัตยาใสที่ประณีตขึ้นก็คล้ายๆกับผ้าขาวนะฮะคือเราเห็นจุดที่แปดเปื้อนได้ชัดนคนที่ละอายบาปรังเกียจบาปเนี่ยส่วนมากเป็นคนอัตยาใสดีอัตยาใสดีงามแนมะ้เล็กน้อยท่านก็รังเกียจท่านก็ขยะขยงท่านก็กลัวว่ามันจะเป็นบาปเหมือนกับคนที่รักสวยรักงามนะฮะสิ่งสกปรกนิดๆห น, น่อยๆก็ไม่ชอบแล้ว หรือว่าคนที่เข้าใจในเรื่องสุขภาพพารานามัมายเข้าใจคุณโทษของอาหารนั้นจะศึกษารายละเอียดในเรื่องอาหารไม่กินอะไรผีพรา่ออกไปดึงซึ่ ง, งอาหารบางอย่างคนทั่วไปก็กินกินกันนะฮะแต่คนที่ศึกษาเรื่องนี้มาเขาก็ละเวน้นเขาก็ไม่กินแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ด่าคนอื่นนะประเด็นสำคัญอย่าไปด่าคนอื่นก็แล้วกันก็ถ้าถ้าต้องการจะว่ากล่าวตักเตือนก็บอก นะก็ชี้แจงอธิบายก็ เ, เกิดความเข้าใจอยู่ในวิสัยนะในกรณีที่อยู่ในวิสัยแต่เราเองนั้นมีพื้นฐานเห็นหน่ากลัวในโทษเพียงเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วโทษทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจะหุดเล็กๆแท่านั้นกระจายๆกับมันไม่ขีดก้านเดียวผเผาเมืองได้ทั้งเมือง น, นั่นแหละดังนั้นในในกรณีเนี้ยท่านก็บอกว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษชัดเจนและสําหรับเราเนี่ยเล็กๆน้อยเราก็ลังเก็บ มันก็เหมือนการสะสมของเชื้อโรคก็สะสมทีละเล็กละน้อยมันก็ขยายสืบต่อกันไปได้เลยที่พระเจ้าทรงสอนว่าถ้าบุคคลจะทําบาปจะทําทบาปนั้นไปบ่นและอย่าพอใจในบาปเพราะการสะสมบาปจะนําความทุกข์มาให้แต่จิตสํานึกนั้นถ้าบอสมาทานศึกษาสําเนียกอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหมายความว่าวิถีชีวิตนั้นจะสัมพันธ์กับ กฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรก็แสดงว่าดำรงชีวิตอยู่ได้มีสติสัมปชัญญะนึกถึงสถานะของเรานึกถึงกฎเกณฑ์กติกาความเหมาะความควรแก่สัตย์กาลเทศะกลุ่มคนบุคคล่างการแล้วนั้นก็คือแนวเขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยศีลมีทุกแห่งนะดันทั้งหลายลองสังเกตว่มีทุคุณสมบัติของบาศกบา ศ, บาศการัตนะ อยู่ทุกแข่งเพราะศีลมันเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานหลักของของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมศีลดันยังแปลว่าปกติหมายความตามปกติแล้วคนเราก็าอยู่กันอย่างนี้แหละตามเหมาะควรแก่ฐานะของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น แต่ว่าก็ปรับไปประนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ละเมียดละไมเข้าไปถึงจิตใจจนเกิดจิตสํานึกที่สามารถเคลื่อนไหวไปได้โดยอัตโนมัติโไ ม, ม่ต้องไปนับสีข่ขาบทอะไรอ่ะประการรักษาศีลเราก็ไม่ใช่ต้องสํารวจระวังทุกสีข่ขาบทพร้อมกันไม่ใช่ห้าข้อต้องสํารวจระวังพร้อมกันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วปกติเราเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัญหาสําคัญว่าเมื่อมีสัตว์ให้ฆ่าเราไม่ฆ่า มีทรัพย์ให้ลักเราไม่ลักมีปัญหาทางเพศเราล่วงละเมิดเราไม่ล่วงละเมิดมีเรื่องให้โกหกเราไม่โกหกม่สุราให้ดื่มเราไม่ดื่มนี่คือประเด็นสาคัญที่จริงมันก็สํารวมในทีละคราวแต่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นครบหมดทีเดียวพอมีวัตถุให้ละเมิดศีลเราไม่ละเมิดกระทันนั้นเองมีถึงเรื่องให้ละเมิดศีลไม่ละเมิดไม่ใช่ว่าถือว่าเรามีศีลเราไม่ดื่มสุรา เพราะเม่มีสุราดืม่มเราก็ถือว่าเรามีศีลไม่ใหญ่อย่างนั้นจริงๆคือต้องมีสุราให้ดื่มแล้วเราไม่ดืม่มแต่จึงชื่อว่าสำรวมระวังงดเว้นอย่างเงี้ยสำรวมระวังงดเว้นไม่มีเรื่องงดเว้นแล้วจะเป็นศินแดงมัน ม, น ม, นมนัต้องมีเรื่องให้งดเว้นด้วยงั้นจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติที่เดียรวดเดียวทั้งหมดนะฮะสิขาบทของพระยังยังนั่งนึกอยู่เมื่อคืนนี้ก็อัดเทปรายการวิทยุกรรฟกลาง พูเรื่องศีล ย, ยังยังยังนึกว่าจะทําเป็นต้นไม้เนะหรือจะเอามาให้ดูว่าศีลแปดศีลแปดศีลห้าเนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้แล้วก็จะแตกจริงที่จริงที่จริงต้นจริ ง, รงๆมันจะมีอยู่สามนะคือชีวิตทรพัพย์คู่ครองเท่านั้นเองชีวิตทรพัพย์คู่ครองเท่านั้นเองเป็นหลักเมื่อการไปว่าทั้งหมดเดีย่ยเพื่อเกิดสวัสดิภาพในชีวิตในทรพัพย์ในคู่ครองเท่านั้นนะ ศีลพระสองรอเจ็ดก็เหมือนกันมันมันจะเป็นกิ่งขึ้นมาเฉยๆอย่างกิ่งกันแตกไปแล้วจากสามเรื่องเนี้จากสามเรื่องจากชีวิตจากทรัพย์จากคู่ครองแต่ถ้าเห็นชัดแล้วคือจากการสื่อสารด้วยจากการติดต่อสื่อสารคือข้อที่สี่ด้วยนะเพราะว่าทมงใช้คำว่ากรรมกิเลสหมายความว่าการกระทําที่เกิดขึ้นโดยจิตเศร้อมองและทําไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายมันมีอยู่เพียงสี่เรื่องเท่านั้น นะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเกี่ยวเรื่องการพูดมีสข้อนะฮะมีสี่ข้อตอนนั้นเด็ถ้าสำนวนธรรมะทรงใช้กรรมอัตตาอัตตนิยาตนก็สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องด้วยตนแล้วถ้าเรามองกลับใ น, นแนวเกิดกิเลสมันก็เหมือนกันอาหังการกับมมังการอาหังการก็คือตัวเรามามังการก็คือของเราเห็นไหมฮะเรื่องเดียวตอนนั้นเด็ก แล้วก็เราเราพูดสักสิบปีก็ได้ยี่สิบปีก็ได้ไม่ได้เกินเรื่องสี่เรื่องนี้ไปไม่ได้เกินเรื่องชีวิตเรื่องของทรัพย์เรื่องของอคู่ครองแล้วก็เรื่องของการสื่อสารการติดต่อสื่อสารกันมันเป็นวิชีวิตทั้งสองทางนะทางเสื่อมาทางเจริญศีลก็คือต้องการให้เกิดเป็นสวัสดิภาพศีลก็คือสวัสดิภาพซึ่งมันเกิดจากจิตสำนึกในสิทธิ ในสิทธิในหน้าที่แล้วก็มุ่งสวัสดิภาพสวัสดิภาพความสุสวัสดิภาพของการอะไกันศีลจึงชื่อว่าเป็นการงดเว้นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นเพราะอะไรเพระาะทำเช่นนั้นมันทําให้สูญเสียสวัสดิภาพสวัสดิภาพก็คือสภาวะที่อยู่อย่างปกติสุขสวัสดิภาพก็คือสวัสดีก็คือสวัสดีนะฮะสวัสดีภาวะที่อยู่อย่างปกติสุข หมายความว่าเขาเคารพเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครอกในการรับฟังข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและการแล้วก็ไม่ละเมิดกันจะนับเป็นพันก็ได้นะยังนึกว่าจะทำหปรูปต้นไม้รักต้นแต่ว่าทำไปแล้วก็คงต้องอธิบายคงต้องอธิบายว่าโดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าคำสอนมันก็มีสดัดฐังสับยัญชนัสดัดฐาก็คือเนื้อหา พยัญชนะพยัญชนะงก็คือพยัญชนะภาษาภาษาที่จะทอนเนื้อหาเหล่านั้นเนื้อหามันก็ไม่ได้มากอะไรนะเนื้อหาไม่ได้เยอะมากก็จะอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าปรับไพ่ประณีตริงๆขึ้นไปอาการที่สองนั้นทรงใช้คำอิอนทรีย์สังวรเราเจอบ่อยนะฮะอินทรีย์สังวรเรื่อยแหละอินทรีย์สังวรทำไมจึงอินทรีย์สังวรเพราะว่าโลคเหล่านั้นเป็นโรคของสัมผัส สิ่งมีชีวิตทั้งหลายรับรู้โลกด้วยตาหูจมูกดินกายใจปัญหามันก็มาทางตาหูจมูกดินกายใจคุณธรรมทั้งหลายมันก็มาจากตาหูจมูกดินกายใจเพราะงั้นคำว่าสัง่งโมอินสี์สังวรในทีน่นี้จึงมองเฉพาะที่มันจะเกิดกิเลส น, นะฮะต้องเข้าใจว่ามองเฉพาะในกรณีที่เกิดกิเลสถ้ากรณีที่เกิดธรรมะ ให้สนใจดูให้สนใจฟังให้สนใจคิดให้สนใจถามมันก็รับทางภาษาสัมผัสเหมือนกันเรามองปั๊บเราต้องเข้าใจทันทีเลยว่า น, นี่หมายถึงอะไรหมายถึงสารวมระวังไม่ให้เกิดกิเลสในที่นี้ทรงชาชิคำว่าอภิชาโถามนนับเหมือนกับที่ใช้ในมหาติ ป, ปัฏฐานอภิชาก็คือความโลภ โทมานัตก็คือความไม่พอใจความเสียใจนะความไม่พอใจความเสียใจกระจายทั้งสองคำเป็นอาการของโทสะพูดง่ายๆว่าโลภะกับโทสะเพราะปัญหาในโลกนี้เป็นปัญหาของโลภะกับโทสะเป็นพื้นนะฮะเป็นปัญหาหลักมันมาจากอะไรมันมาจากจิตใจที่มีโมหะเพราะฉะนั้นเวลาสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ คนเราจะเกิดความรู้สึกอยู่สองแนวนะฮะสองแนวใหญ่ๆทั้งรักทั้งชังนะฮะทั้งชอบทั้งไม่ชอบตรงใช้คำบารีว่าถือโดยนิมิตคือว่ารวบถือไปเลยเอาถือทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งรุ่นทั้งทั้งคันทั้งหลังทั้งอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหมายความชอบบ้านก็ชอบทั้งหลังชอบรถก็ชอบทั้งคันชอบคนก็ชอบทั้งคนชอบสัตว์ก็ชอบทั้งตัวอะไรเนี่ยก็เรียกว่าถือโดยนิมิต แต่ทีนี้ถ้าถือโดยอนุพยัญชนะคือไม่ใช่ถือโดยนิมิตในทางไม่ดีก็คือไม่ชอบทั้งคนเลยไม่ชอบทั้งคนไม่ชอบทั้งขันไม่ชอบทั้งหลังไม่ชอบทั้งไม่ชอบทั้งรุ่นไม่ชอบทั้งอะไรก็ตามารัก็แล้วแต่จะเรียกทั้งต้นทั้งไรเนี้ยเาเรียกว่าถือโดยนิมิตถือ่สองแนวแนวชอบกับแนวไม่ชอบทีนี้จากจุดนี้เราจะเห็นอาการของอารมณ์ลักษณะของอารมณ์ จากจุดที่ชอบหรือไม่ชอบมันมันจะเลื้อยใจมันจะเลื้อยจะลามปามคล้ายๆกับ น, น้ำไหล น, นะฮะคล้ายๆกับน้ำเนี่ยพอเทแล้วมันก็ไหลมันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดเดียวมันก็ไหลไปเรื่อยๆตามปริมาณของน้ำเพราะ ค, ความรักความจังจึงไหลจึงไหลไปตามกระแสะของมันเรารักคนหนึ่งทำให้เรารักคนหนึ่งรักคนหนึ่งรักคนหนึ่งไปเรื่อย que. พอเราช่างมันก็ช่างไปเรื่อยๆบางทีช่างหมดทั้งชาติเลยโกรธหมดทั้งชาติเลยนะใลๆ้ๆฮิตเลอร์โกรธยิวอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นภาพชัดๆว่าฮิตเลอร์โกรธฮิตโกรธยิวก็โกรคนเดียวนะแต่ยริงมาเริ่มจากคนคนเดียวแล้วในสุก็ลามปามไปก็เล่นกันเป็นเผ่าพันธุ์ชนชาติยวิวต้องล่างผ่านชนชาติยวิวที่ยริงมันจุดเริ่มต้นมันก็ ม, กมีมีแค่คนคนสองคนแต่นั้นเองนั่นก็คือก็คือลักษณะของความช่างที่มันเลื้อย มันเลื้อยมันเลื่อนไหลไปตามกระแสะของความรู้สึกที่พระเจ้าทรงใช้กับว่าความรักที่เกิดจากความรักและในกระบวนการตรงนี้ลองสังเกตว่าถ้าใครไปเบียดเบียนทาลายคนที่เรารักเราจะเกิดโกรธถามโกรธทำไมโกรธความโกรธมันเกิดจากความรักเพราะคนมาเบียดเบียนคนที่เรารักพอถึงความความโกรธมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะโกรธเลื้อยไปเรื่อย โกรธลูกบางทีก็ต้องบังคับให้โกรธยามสะพายอย่างหนึ่งที่ที่ไม่น่าเกิด่นะฮะไม่น่าเกิดไปสร้างเวรภัยแต่ว่าต้องคงแก้ไขกันยากพ่อแม่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านเอาให้ลูกทะเลาะ ก, กันด้วย<อ>เด็กมันจะเป็นเพื่อนไปโรงเรียนกันหน่อยเลยเอเด๋อเด๋ไม่ต้องเป็นเพื่อนกั น, นอยุให้เด็กทะเลาะ ก, กันตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กน้อยอยู่แล้วนะตัววันแล้วก็เพื่อนเล่นก็น้อยอยู่แล้วเลยพ่อแม่ ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็ยุให้ลูกทะเลาะกันด้วยทั้งๆที่เด็กมันเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันก็อยู่ในโลกหลังเรานะฮะเราตายไปแล้วเด็กเหล่านี้ยังอยู่กันแต่พ่อแม่ก็ไปสร้างรอยบาดไ้เกิดขึ้นนั่นคือลักษณะการอารมณ์มันเกิดจากอะไรเกิดจากการใจเราที่ไม่สมบูรณ์ระวันวหนึ่งก็เรียกว่าแยกถือคือถือโดยอนุพยัญชนะหมายความว่า รถอาจจะชอบบางส่วนคนอาจจะชอบบางส่วนบ้านอาจจะชอบบางส่วนที่ดินอาจจะชอบบางส่วนหรือว่าช่งบางส่วนไม่ช่งหมดนะฮะนั่นคือลักษณะมีอยู่ตลอดให้ลองสังเกตดูแล้วพวกนี้จะมีอิทธิพลต่อใจเราก้อยเกิดที่ทรงใช้คกว่ายินดียินได้ก้อยเกิดความรักความช่งซึ่งในตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะฮะ พระผู้จาสงช์ใช้คำว่าโลกธรรมโลกธรรมสี่แปดนะนะฮะลาบยศสรันสนุขท่านลองสังเกตว่าถ้าเกิดความชั่งเนี่ยมันจะไปทําลายทําลายตัวลาบตัวยศตัวสันสญตัวสุขถ้าเกิดเอ่อความรักมันจะไปเสริมไปเสริมรักเสริมเออไม่ใช่เสริมลาบเสริมยศเสริมสันสญเสริมความสุ ข, ส ข, สขให้แก่กันและกัน หรือบางทีก็ขอแบ่งนะบางทีจะเกิดขอแบ่งก็เป็นการรักตัวผลประโยชน์ตัวลาบตัวยศตัวสัตเสริญที่คนเหล่านั้นได้เราก็ต้องการจะมีส่วนแบ่งสแสดงว่าเป็นความรู้สึกที่ให้ความต้องการแก่ตัวเองนะให้ความต้องการแก่ตัวเองแล้วมุ่งที่จะตอบสนองความรู้สึกนึคิดของตัวเอง ปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาทาวรที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการกำหนดความรักความชังแล้วทำไมมันเป็นกิริยาปฏิกริยาเพราะว่ามีการโต้โตอบในทํานองเดียวกันมีการโต้โตอบในทํานองเดียวกันมันก็เกิดปัญหาเมื่อคืนที่อัดเทพมานั่งวิเคราะห์เรื่องเรื่องราวเมื่อกี้ตอนต้นๆ้น่ น, น, นะฮหรือต้องการจะต้องต้องการใช้ผู้ฟังเขาดูว่าตรงเนี้ย มันมีคนทำผิดซ้ำกันเช่นสมมติวันในกันีของนนทุกเนี่ยนะฮะนนทุกก็ล้างนามล้างเท้าไว้เทวดาแสดงว่าเทวดาไม่ได้สวมรองเท้านะฮะก็เทวดามันก็หาเรื่องไปลูกพวกเขาลูกทำไมนะลูกจนผมร่วงไปอันนี้ก็โกรธ เราจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะถ้าเทวดาไม่ไม่ทํานองเรื่อไอ้นุนทุกก็ไม่กรุบแต่พอนุนทุกโกรุแล้วเนี่ยให้พระอิศวนเองเนี่ก็ไม่เป็นหลักใครลากตะกี้รีเลยนะใครขอพร อ, อะไรคนนี้ให้เละเลยให้เขายุ่งไปหมดเลยลพระนารายณ์ยังแก้ปัญหาพระอิศวนนี่สร้างปัญหาตลอดเป็นคนแก่ใจดีแต่ไม่มีหวรพริปฏิภาณอะไรนะอยู่แต่บนเขาไม่ก็ได้เรื่องอะไรแต่เลย ไปให้พอนะ่อในนิวปายสิอันนั้นคือแสดงถึงว่าคนหนึ่งกำลังทำผิดด้วยโทสะคนหนึ่งทำผิดด้วยโมหะจ่มาเห็นไหมพระอิศวก็ทำผิดด้วยโมหะอพวกเทวดาตายแ ก, ก, กัเกิดทำยังไงพระนารายณ์ก็เกิดทำผิดด้วยโทสะแค่ไหนเลยเลยก็มายั่วให้นนทุกคลำไปลำาก็บนิวชีเขาตัวเอกตายเลย น, นุทุ ก, ก็โกรธต่อย อ่าถ้าตีถ้าต่อยลงไปเกิดในโลกมนุษย์กันพระรามก็เอ้ปนาร า, ายก็เกิดยั่วกึมาอีกเอาก็เอากันอา้นอาวแกถ้มีสิบเตียนสิบกรองกัน แ, นนแล้วกัน1ิบเตียนยี่บกรกันแล้วกันไอฉันมีสองมือสองเทาเนี่ยจะรบชนะแกได้เลยหาเรื่องเรื่องราเกียนก็เกิดเกันเพราะว่าทำผิดกันทำๆถ้าหยุดสักคนเนี่ยนะเราจะเห็นว่าหยุดตรงไหนสักหยุดในเรื่องราเกียรไม่มีเราไม่ต้องมาปวดหัวอ่านราเกียนจอมไม่ได้เราลวกเรพลเยอะเลยเกิดี๋ยวมันเกิดมาจากไม่ยอมหยุด แล้วใช้แนวเดียวกันร่างพันหนึ่งใช้กิเลสพหนึงใช้กิเลสพันหนึ่งใช้กิเลสพันหนึ่งใช้กิเลสมยองหยุดตลอดท้งกระบวนกเลยกลายเป็นเรื่องราเกินแล้วก็มีไม่มีอะไรฮะลองจดูโลภะทัสัมมหะโลภะตสัมมหะมันหมุนอย่างนี้โลภะสัมมหะแล้วก็บางตอนที่กลายเป็นลิสยาลิรยาก็คือโลภะกับตัวสัะมัเกิดเป็นลิสยาขึ้นมา มันเป็นอาการกินเลยที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะไม่สมรวมตัวเลยไหมเพราะไม่สมรวมระวังที่ใจไม่หยุดที่ใจตัวเองอ้ามใจหยุดใจซะบ้างได้ไหมตรงเนี้ยเอาละนนทุกจะทําไปแล้วนะคก็หาทางนี้จะประฏีประนอมในการนั่งโต๊ะเจราจากันได้ไหมไม่ยอมนั่งโตะเจราจาเลยทุกจุดไห้เราสังเกตไม่ยอมนั่งโต๊ะเจราจากเลย ใช้วิธีการรุนแรงตลอดมันอยู่ตรงไหนยอยู่ที่เราไม่สำรวมระวังไม่สำรวมระวังที่ไหนที่ใจให้ลองสังเกตว่าธรรมะของคารวาตพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องธรรมะไว้ธรรมะก็คือห้ามใจข่มใจหยุดใจตัวเองโกรธมาอยาก จ, จะเบียดเบียนก็หยุดซะหน่อยโลภขึ้นมาจนถึงจะผิดศีลทำผิดกฎหมายแล้วก็หยุดความโลภซะหนั มันเป็นเบรกของชีวิตแหละเป็นตัวหยุดของชีวิตเบืองกระเบรกของรถตรงชายในเรื่องของธรรมะเพราะชาบ้านกระทบอารมณ์เยอะอารมณ์ที่ชาวบ้านกระทบจริจริงยิ่งกว่าพระนะะพระนี่ไม่ค่อยกระทบอะพระจึงทนเรื่องโทสะไม่ก็ได้เพราะพระจริงๆไม่มีค่อยไม่ค่อยมีคนดา่านี่ก็อมีคนดา่าไม่มีคนว่า ม, มีคนกระทบเปลียบเปลยไม่ไม่ค่อยโดนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทนได้ก็ถือว่าใช้ได้ แ ต, ต่ตามปกติแล้วเนี่ยฮะให้ลองมาย่วดูวพระขี้โกรธนะเพราะแต่แก่จิตใจท่านท่านไม่ค่อยกระทบอนะเรื่องเหล่าเนี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นนี่จะจ ะ, จะเก่งนะฮะแต่เรื่องอื่นจะเก่งเพราะว่าท่านฝึกมากๆฝึกมากาแต่ว่าโกรธเนี่ยจะโกรธง่ายจนกลายเป็นกรรมฐานที่โกรธสะดุดขี้ขอไปนะฮะบางทีอาจารย์กรรมฐานยิ่งขี้โกรธใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันไม่เคยผ่านการทดสอบเท่าไหร่ ตอนโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยผ่านการทดสอบแต่โยมเนี่เจอทุกวันเนียนะชาวบ้านทเรียกว่าเจอทุกวันเลยขึ้นรถเมย์ก็เจอแล้วอยู่กลางถนนก็เจอแล้วโทรศัพทเพราะฉันมันค่อนข้างจะมีภูมิต้านทานแต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใกล้อะไรอยู่เยอะพอพอพอถึงระเบิดเลยยุ่งทุกทีเลยยุ่งทุกทีจึงข่าวคราวที่รุนแรงนะรุนแรงเราจะเราจะเห็นได้ชัดว่านั่นคือการเกิด เกิดขึ้นจากการลุกอำนาจแก่ลงขาดการสำรวนขาดการสำรวนที่ใจคือไม่ได้หยุดใจตัวเองเอาไว้ตอนนี้ถ้าท่านเอาสังเกตว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่จะแรงมากจับได้เป็นแสนแสนเมล็ดกองมันก็สูงเป็นศอกศอกโอ้โหเม็ดหนึ่งเขาบอกว่าตั้งเก้าสิบห้าทวันก่อนถามพวกผู้จัดการรถทัวร์ถามจริงๆมากินกันจริงหรือเปล่า แกบอกไม่กินไม่ได้หล้ว่มันไม่ยอมอ่ะพวกนี้ถ้าไม่กินมันไม่กล้าขับแล้วต้องแก้เยอะถามว่าจะแก้ยังไงได้แกบอกรัฐบาลต้องอ่ะต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องกำหนดเป็นกฎหมายให้มีคนขับสองคนมีคนขับสองคนแต่นี้พอถ้ามีคนขับสองคนมันไม่ยอมอ่ะมันได้น้อยได้น้อยมันไม่เอาไม่เอาก็ต้องการได้มากต้องขับมากขับมากก็ต้องกินยามามาก แล้วก็คนก็เสียงมากนี่คืออะไรก็คืออาการของการของกิเลสอาการความยินดียินร้ายนะเองเห็นนะฮะอาการความยินดียินร้คือโลภอยากได้อภิชาโลภอยากได้เลยโดยไม่ได้นหนึ่โดยไม่คํานึงนึกถึงนึกถึงสุขภาพบ า, าลานามัยตัวเองสวัสดิภาพของผู้โดยสารความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สังคมอะไรแต่ละรั้นั้นตรงนี้จึงส่งเน้นมาก เพราะว่าถ้าหากว่าสังคมโลกเราเนี่ยสามารถสํารวมระหว่างอินทรีย์รู้จักข่มใจห้ามใจหยุดใจตัวเองไอเห็นคงเห็นนะนะเห็นคงเห็นได้ยินคงได้ยินสูดลมคงสูดลมก็จบไปได้ไหมจบไปแค่ตรงนั้นเนะี่ยอย่าเอาไปกรุ่มอย่าเอาไปวิตกกังวลเดือดร้อนนะเขาด่าตรงไห น, นก็ให้ไปหยุดตรงนั้นก็จบตรงนั้นได้ยินที่หูมันก็ดับที่หู ย้ายไปตกค้างอยู่ภายในใจเป็นตะกรใจเป็นสนิทใจเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นสำรวมระหว่างทั้งหมดจริงตาหูจมวกลิ้นกายสำรวมที่ใจนะฮะํานวนที่ใจแต่นั่นเองที่พระเจ้าทรงใช้หลายแนวไอแนวหลีกหนีที่จริงเราหลีกหนีไม่ได้ มันก็หลีกนี้ได้ช่วระยะเวลาหนึ่งเพราะเราจะไปอยู่ในป่าโดดเดี่ยวคนเดียวโดยไม่ต้องช่วยเหลือเกลือกุลในสังคมนั่งสมาธิอย่างนั้นช่วนาตาปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระแบบฤาษีชีพราะเกิดมาเทีย่ยงทําประโยชน์เพื่อตัวคนเดียวแต่นั้นเด็กมันเป็นไปไม่ได้มันต้องช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์เนี่ยปัญหาสําคัญว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์แต่ว่าเราจะอ่อนไหวไปกับอารมณ์หลดนั้น ท่านแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าวตาชีโนคือคงที่นะณนะอุจาวจังดัสยันติปัณฑิตาบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นขึนขนขนขงบเพราะอะไรเพราะท่านไม่ความสําคัญแก่รูปที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินนะกลิ่นที่สูดดมรสที่ลิ้มสัมผัสที่จับต้องมาความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ต้องเอาอะไรนะให้ให้เราสังเกตว่าเวลาเนี้ยอิทธิพลของการโฆษณาอาหาร แล้วมาเช้ ก, ก, กลัวๆเลยผูสังเกตเด็กที่วัดเนี่ยนะนึกว่าเด็กพวกนี้มันจะต้องทํางานได้เดือนเท่าไหร่ต่อไปในเงินเดือนแกจะสักเท่าไหร่เมื่อแกกินอย่างนี้แกอยู่อย่างเงี้นะกินอย่างนี้อยู่อย่างนี้เข้าของที่กินแพงได้เกินอะไรก็ขึ้นนิวยอยู่เรื่อยเลยนะฮะอะไรนะเอชเซเวอีเลเว่นอะไรอะอะไรอะมันเรียกเป็นคนหังเยอะเลยนะทุกคนเวลาเขานัดไปเชื่อหนึ่งเขาไม่กินอาหารไทยอะนะไม่ได้กินไม่ได้กินส้มําอะไรไม่ได้ ไปกินอะไรไปเรื่องๆอาหารครั่งอะไรแมคโดนะั่นแมคโดนั่นอะไรต่างพิซซ่าเยอะๆแพงๆไงนะฮะอันนี้ก็คือคือคือคืออะไรก็คือไม่สํารวมระวังลิน้นเะห็นไหมฮะไม่สํารวมระวังลิน้นที่จริงไม่สํารวมรองความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะงั้นจึงท่งสอนในข้อที่สามเอาไว้นะฮะว่าโปรเชเนมาตันยูตาใหรู้จักประมาณในการบริโภค ในการบริโภคอาหารที่จริงก็บริโภคปัจจัยสี่นะฮะบริโภคปัจจัยสีแต่ตรงนี้ก็เน้นที่อาหารไว้มากโดยมองถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารตรงนี้เป็นสูตรเลยเป็นสูตรติดสอนสอนในพระทองไปเลยนะก็เรียกเป็นบาลีบาลีว่ า, าก่อนจะรับอาหารขณะรับอาหารเวลาพระบินดาบาดนะฮะโดยโยมอย่ไปคิดว่าพระเสกนะฮะที่จริงพิจารณา พิจารณาอาหารที่ที่ชาวบ้านกำลังตักมองให้เห็นไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะมองเป็นสุนยาตาไปเลยนะนิสตโตนิชโวสุนโยมองอย่างนั้นนะศักเทวธาตุาานะพาตุมัตตโกสักเทวธาตุาานะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวิตนะแต่ว่าเป็นาธาตุของอาหารที่จะนำไปหล่อเลี้ยงาธาตุเพื่อรักษ า, าธาตุตัวนี้ มันเหมือนกับมองในแนวน้ำมันหยอดเครื่องมองบางทีก็มองเหมือนกับคนที่ไปตกในทะเลทรายจำเป็นจะต้องกินเนื้อของลูกที่ตายในทะเลทรายเพื่อยังชีวิตคนตัวเองให้เป็นไปคือไม่ไม่ไปติดใจในรสชาติของอาหารไม่ต้องวุ่นวายรสชาติอาหารมากเกินไปแต่เรียกว่าสาเร็จประโยชน์ทรงใช้คำํานวนหนึ่งเมื่อยาปนมะตัง ก็ชีวิตมันเป็นไปได้ยังอัตภาพไปเป็นไปได้ตรงนี้บางทีมันต้องมีประสบการณ์ตรงนะฮะแต่มาไปเห็นชัดที่ตอนไปอยู่อินเดียสองปีชัดมากเลยอยู่ที่นั้นชีวิตนี่ให้เป็นไปได้แต่นั้นเองอาหารนี่ต้องรอให้หิวนอนให้หิวมากๆตอนชาฉันอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฉันเพลินครั้งเดียวนะฮะอยู่ที่อินเดียสองปีนี้ฉันก็ฉันเนยมันมันมันเข้าไปอยู่ในท้องได้แต่นั้นเอง ตังง่ยมันกลืนผ่านไปได้แต่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจมันแล้วอย่าไปคิดว่าอาหารอ ร, อร่อยเรื่อยๆแต่ว่าเพียงเนี้นมันกลืนเข้าไปได้แล้วก็ให้ชีวิตเราอยู่ได้แต่เราเห็นคำวิยาปนมะตังของพระพุทธเจ้าชีวิตมันอยู่ได้แล้วก็ศึกษาเราเรียนได้ทํางานได้ก็ไปแต่มีอะไระก็สําเร็จประโยชน์จากอาหารเขาเรียกาอาหารละเออาหารแปลว่านําผลมาเนี่ยอาหาร เ, น, า น, าเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นําผลมา ที่จริงผลตั้งดีทั้งไม่ดีนะผลตั้งดีตั้งไม่ดีนะดดก็คือขจัดความหิวได้ป้องกันความหิวได้ให้ร่างกายมีเี่ด้แรงสามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการงานแล้วก็ความอยู่เป็นสุขปกติสุขของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นการป้องเพียงนี่เป็นสูตรนะทีนี้ประการสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องของความเพีย แต่ความเพียรตรงนี้เน้นความเพียรระดับที่ค่อนข้างเป็นอุดมการณนะทาให้เห็นภาพลักษณ์ของพระว่าภาพตั้งเดิมของพระจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมันทำงานเฉพาะเรื่องแก้ปัญหาที่จิตใจตัวเองวิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับการแก้ปัญหาที่ทใจตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอัตตาประโยชน์คือทำประโยชน์ที่ตัวเองให้ได้แต่ก่อน แล้วเมื่อเสร็จตรงนี้จึงไปทําภาระแก่คนอื่นเพราะงั้นความเพียรเนี่ยความเพียรจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นหลักตอนาะงั้น เ, เราจึงเห็นว่าแบ่งแบ่งคุณของพระสงฆ์ไว้สองตอนชัดมากนะฮะสี่ตอนแรกสี่ข้อแรกสุปฏิปันโนอุปฏิปนโนยญ า, ยาปฏิปนโนสามีจิปฏิปันโนนั่นคือพระจะต้องพยายามอย่างเนี้ย พยายามปฏิบัติอย่างนั้นพยายามปฏิบัติให้ดีเมื่อไร่ดีก็ไม่รู้พยาพยามพยายามเลยกันแล้วก็เปิดโอกาสสําหรับผู้พยายามเปิดโอกาสหกลม้มหกลุกชั่วยเจตีดีเจตหนไม่ว่ากันไม่ตว่าอะไรกันนะเราจะเห็นว่าอย่างคนขนาดพระชานน่าในอิริเกกะขนาดไหนอุตรลุดนะฮะพระชานน่าเราไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วคำ้ำมามาว่ามคือว่าเมือก็สีถนนชยัยนะฮะลูกเล่นพลาวเลยนะ พลาวเลยนะตามท่านไม่ค่อยทันนะฮะลูกเล่นเนะี่ยสารพัตที่จะเล่นนะพระเกกะเนี่ยพวกนี้พวกสัตว์ตะวัคีพวกนี้มีเจ็ดมีเจ็ดรูปกลุ่มหนึ่งเจ็ดรูปแล้วพวกชาปักขีกลุ่มนี้มีหกรูปพระอุทายีอุทายีรูปเดียวออกควรนี่ไม่มีนะฮะพระช น, นะพระอุทายีพระอุปนนท์พระอะไรเนี่ยมีสี่ห้าองคสร้างปัญหาเยอะแยะเลยแต่ผลสุดท้ายท่านบรรลุมรควุนนะผลสุท้ายท่านไปได้ พระองค์เ ก, กะเกเรมากอย่างองค์หนึ่งชื่อว่าติดสัเป็นพระญาติเป็นลูกอาของพุทธเจ้านักเลงโตถือว่าเป็นเจ้าเนี่ยบวชวันเดียววางมา้าใหญ่โตเต็มวัดแล้วบวชบวชตอนอายุมากหน่อยเพื่อนเนะว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่มาถึงก็กราบกราบมานั่งวางมา้าเพื่อนกราบบวชวันเดียวนะนั่งวางมา้าได้เพื่อนกราบกลับไปกลับมาทําไปทำม า, ต า, ม ต, า, มมาตายแล้วเพิ่งบวชวัวพระก็ตําหนิดูเอาเลย ไปเล่าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกไปเอยกไปท่านเฉียงอ่ะท่านเฉียงระพุทธเจ้าเล่นขนาดนั้นนะบางองค์ในข่มจีวรหรูหราสวยงามเปลี่ยนวันละชุดเลยเศรษฐีมาบวชมีผ้าเป็นตุ๊บู้เลยนะมีคนใช้บำรุงบำเรอเต็มที่เลยแล้วก็โกนไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เบาเหมือนกันนะ เาราพรพุทธเจ้าเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนตอนชชเช้าเช้านี่ยคนชายซักจีวรป่ากเป็นแถวองค์เดียวนะฮะองเดียวนนะ เ, เองนะแต่ลูกน้องมีสองคนซักจีบอดบุงอาหารใดๆก็อยู่สบายทียกมาตักเตือนท่านโกรธท่านเบื่อจีวรไม่ห่มก็จะคาหมมันเอาไปนอนเลยคนละเรื่องเลยเนะเนื่องต่อมาท่านพระพุทธเจ้าก็แก้ของท่านเดื่อยๆนะพุทธเจ้าไม่ใช้วิธีฆ่าชิงนะฮะ เป็นนั่นนะคืออนุตรโรุริสลมสารถิเป็นสาระธิที่ฝึกคนฝึกกันแล้วฝึกกันดีทำกันแล้วทํากันดี ก, ก็ไม่รู้ว่านอกจากว่าท่านท่านจะผิดสี่ข้อตอนนั้นเองนะฮะถ้าผิดเรื่องอื่นแล้วไม่ว่ากันผิดสี่ข้อก็ถือเป็นกรรมของท่านเกณฑ์กาหนดไว้ตรงนั้นเท่า น, นั้นนะฮะเกณฑ์เกณฑ์ ก, กำหนดที่ประชิกสี่ข้อประชิกสี่ข้อที่จริงก็คือศีลสี่ข้อนะศีลสี่ข้อของโยบนั่นเองเพียงแต่ว่ามันประนีตขึ้นนะฮะ ของโยมปานนาเนี่ยไม่กําหนดว่าคนว่าสัตว์อะไรอทินาก็ไม่กําหนดจํานวนทรัพนะฮะกาเมเ อ, เอาเฉพาะกามเมแต่ของพระตรงนี้เป็นนภรัมแต่นั้นเองแล้วก็มุสาของพระเป็นกูตฤหมนุสธรรมส่วนมุสาโทั่วไปก็มีอาบัตดอีกระดับหนึ่งเห็นไหมว่าศีลตัวนี้จึงกลายเป็นศีนหลักการเพียนพยายามจึงเพียนพยายามทําให้ดีดีก็เรียกว่ายะถาสติยะถาผลัก ตามศักตามสถานะตามกําลังความสามารถของเราทําได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปขอเพียงพยายามกันแล้วกันจึงมีระบบเราจะเห็นว่าระบบอุปสงค์ปิการเนี่ยอ้าวศีลขาดสมาทานหใหม่ได้ไม่ว่าอะไรรักษาศีลตอนเช้าสมาทานศีลตอนเช้าเอตอนเชี่ยงขาดไปแล้วเอ้ามาสมาทานใหม่ก็ไม่ว่ากันสมาทานใหม่ได้ก็จะเห็นว่าศีลเหมือนกันนะศีลเหมือนกันเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมุติวันการนีของ ข อ, ของมีเพศสําคัญเนี่ยน ะ, ะโยมที่จะบสมารทานสินแปดทจริงก็เหมือนพระนะสินตรงนี้เหมือนพระเลยแต่ว่าโยมขาดแล้วเนี่ยต่อได้ก็เนน่ะเนนต่อได้นะฮะเนนไป ม, มีเพศสำคัญนเนี่ต่อได้หละมาถึงขอศินไหวก็กลับเป็นเนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกำหนดไว้พระกับภิกษุณีเท่า น, นั้นเองภิกษุกับภิกษุณีเท่า น, นั้นเองที่ศีนตรงนี้ขาดแล้วก็จบสิ้นทั้งชาติคนอื่นไม่ เปิดโอกาสให้เนนยังมีวุติภาวะอ่อนน้อยภิกษุณีนางสิกขะมานาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นนักเวรผู้หญิงนะะนักเวรผู้หญิงก็เหมือนกันฮนะขาดแล้วต่อได้สามเนรีขาดแล้วต่อได้สามเนรีก็คือเนนผู้หญิงเห็นะฮะขาดแล้วสินทิ้งเขเนี่ยขาดแล้วต่อได้ดไดดไดมีพระกับภิกษุณีสองกลุ่มเท่านั้นเองเป็นศินเฉพาะตัวนั่นก็คืออะไรก็คือว่าเพียรพยายามถือหกลม้ลมหกลม้ลมกกล้ม ถูกก็ลูกใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ถ้าพระกําหนดกําหนดเป็นการต้องอาบัติต้องอาบัติถ้าต้องอาบัติตรงนี้ก็ถือว่าแก้ตัวใหม่นะขอสารภาพความผิดหรือบางทีแรงๆก็เป็นทรมานตัวเองะฝึกปือตัวเองดัดสัน ด, ดานตัวเองนะก็กําหนดตามระวีไหนก็แล้วแต่ ที่เราเรียกปริวาสกรรมอันนั้นคือโทษแรงที่สุดโทษแรงที่สุดที่แก้ไขไดนะ้พระก็ต้องไปอยู่ปริวัสกรรมแต่ปริวาตกรรมทุกวันก็กลายเป็นเครื่องมือหากินไปจริงๆปริวัตกรรมเป็นการลงโทษตัวเองนะเป็นการลงโทษตัวเองและเกิดจากกิจสํานึกของท่านเหล่านั้นเพราะกลุ่มของความเพียรพยายามจึงเป็นความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องทรงใช้คําแปลกออกไปทรงใช้คําว่าชากริยานโยก ประกอบความเพียรทั้งกลางคืนและกลางวันเป็นผู้ตื่นตัวแบ่งเวลาเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นสามการเป็นสามการหมายความมากลางคืนเนี่ยกลางคืนคืนละอะไรสามยามนะฮะสามยามแต่ยามละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยใช้ความเพียร น, นั่งสมาธิเดินจมกรมไหวพระสวดมนต์สาตัยนั่นนั้นนั่นระดับอุดมการนะนะมันคล้ายคล้ายไกยมไปไ ป, ไปอะไรบวชชีปราง ไอ้บอดจีปราไปอยู่ชั่วคราวชั่วคราวนะฮะเป็นเป็นเป็นเป็นชุดเป็นสูตรเข้าไข่ปฏิบัติธรรไอ้นี้เข้มงวดเป็นการปฏิบัติเข้มงวดคือรายการต่อกันยาวเหยียดจะมีว่างนิดนหน่อยหน่อยเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนั้นในว่างเรียกว่าความเคียนลักษณะตื่นตัวตลอด4ชั่วโมงแรกพอ4ชั่วโมงที่สองในพักพักเรียกว่าพักเตรียมลุกนะนนนอนแบบเสียหาสายน คนที่โจมตีพระบางรูปวานอนเสียสิยาสพระเจ้าสอนได้นอนเสียสิยาสไม่ได้เรียนรู้แต่เจ้าหรือพระเจ้าสอนนอนไว้ไอ้พระนอนเป็นสีห์สิยาสนอนเตรียมตัวจะลุกนอนตะแคงขวาพันเท้าเหลื่อมกันหน่อยนะะแล้วก็มือเท้าแขนไว้แขนก็ ก, ก, ก, ก็ก็ไม่ใช่เท้าอย่างพระพุทธรูปสิยาสนะนะก็เท้าอย่างที่เรานอนนะฮะอมมือจะวางมันหมอนตั้งสติสามั ญ, ญจะว่าจะลุกขึ้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้น พอลุกขึ้นต้องรีบลุกเลยอาบน้าอ่างากระทาความเทียนต่อไปในยามที่ยามยาปลายอีกสีชั่วโมงหลังนะฮะสีชั่วโมงหลังก็ทำความเทียนมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยชีวิตมันจะหมุนวนอย่างเงี้ยพอตกกลางคืนมันก็จะอ่าพอตกกลางวันมันจะมีช่วงเข้ามาช่วงมันก็หลังหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็บินท บ, บาตก็มีกิจวัตรพิเกี่ยวกับบินท บ, บาทแล้วก็ต่อไปอีกนะะต่อมุนวนแสดงว่าฝึกปลือฝึกปลือตัวเองไปเรื่อย โดยเนื้อหาสาระก็คือปฏิบัติได้ดีคําว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนะั้นเป็นสูตรนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระสงฆ์นะทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแล้วแต่ในหลวงเจ้า ก, ก็ดีแล้วนะตรงแล้วเป็นธรรมแล้วเป็นสมควรแล้วเท่านั้นเองเรายังไม่แล้วก็ทํากันไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักการที่ทรงสอนในเรื่องความเพียรประหยัด โดยเป็นระดับอุดมการณ์สูงสุดนะแต่ในขณะเดียวกันก็พอมาถึงระดับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็สอนพยายามในการบาปจะพูดเรื่องบาปจะพูดเรื่องบาปไม่จะพูดเรื่อ ง, อองกิเลส น, นะฮะชาวบ้านไม่ค่อยพูดเรื่องกิเลสนะพูดแค่บาปซึ่งซึ่งก็เห็นกันจะจะเห็นกันจะจะว่าเพียนป้องกันบาปการอะไรล่ะสังวรปรทานก็คือเพียนสงรวมระวัง อะไรก็ตามที่จะเกิดบาปเกิดบาปเป็นการสะสมบาปเป็นการเพิ่มบาปก็อย่าทำํารวมระวังนะฮะเราก็หยุดตัวได้แล้วก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตใจของตัวเองมีปัญหาอะไรไหมเป็นไงแต่เข้าวัดภานานแล้วริษยาลดหรือเปล่าโกรธลดหรือเปล่าเอาใจใจตัวเองลดหรือเปล่านะาก็ดูเอา ธรรมะบางทีเตินพระเจ้าเติมใช้ก็มาธรรมดาษะมันเป็นกระจกสองเป็นกระจกสองเห็นไ้มใครส่องคนแล้วก็ดูหน้าตัวเองแล้วใครแล้วแล้วใครเป็นเป็นตัวดูคนคนนั้นจะต้องรู้ต้องรู้ด้วยตัวเองพระเจ้าให้เป็นธรรมดาศะเป็นกระจกสองกระจกของสองธรำนะฮะมือนกระจกสองหน้าเห็นเห็นได้ชัดว่าเราส่องดูเพื่อแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็ว่ากันไป ตรวจสอบไอ้ น, นี้ดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็พยายามแก้ไขเอาเรียกว่าเปลี่ยนพยายามละสิ่งที่เป็นบาปซึ่งหมายความว่ามันไม่จําเป็นจะต้องต้องขนาดนั้นก็ได้นะไม่ไม่จําเป็นแต่ว่าพระสองแสดงรูปแบบที่เต็มที่ไว้แต่ว่าสังคมเราเนี่ยพระสงฆ์ถูกดึงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองประวัติศาสตร์ถูกดึงมาเป็นเครื่องมือของการของบ้านเมือง พระเนี่ยราชาคณะเนี่ยแปลว่าคณะพระราชาหรือแสดงว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของบ้านเมืองจะดูแลสาระทุกสุขนีเพระพระมุกจายเต็มพื้นที่ซึ่งไม่มีใครไปอยู่กระจายเต็มพื้นที่อย่างพระพระเป็นคนของชุมชนตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเอาพระมาเป็นพวกได้เนะพระจะเป็นเรียกว่าต่างหูต่างตานะฮะจำนวนบูรารียกต่างพระเนศต่างประกัน ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรไม่ต้องใช้จ่ายอะไรวันก่อนในประชุมนะที่ศูนย์วัฒนธรรมอัมมาอย่างนึกขำเจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งท่านบอกแรงงานราคาถูกแรงงานราคาถูกอะไรก็นี่มลพระตั้งนั้นน่ะเด็ดเนี่ยนี่มลพระตั้งนั้นประชุมอยู่เรื่อยเลยประชุมอยู่เรื่อยแล้วก็ขอให้พระช่วยทรงนั้นช่วยทรงนั้นช่วยทรงนั้นช่วยทรงนั้ น, น, นอย่างนี้บอกว่าแม่โรคเอตเอดยอย่างนี้เอามาหาสา พระอารมณ์เรื่องโรคเอทที่น่าช้าก็คือนางพยาบาลไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางให้พระดูด้วยก็เจ็บใจมากพระน้อยใจมากเอเป็นยังไงไปเดี๋ยเป็นยังไงอ่ะให้พระไปสาธิตวิธีใช้ถุงยากันหน่อยรู้เถอมันหมอเนี่ยเวรกรรมจริงๆไอ้คนเราไม่รู้ว่าพระนี่นควรจะอยู่ตรงไหนม้างเห็นว่าพึ่งได้นะฮะแรงแรงงานราคาถูกก็พึ่งไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ไม่ ม่นึกว่าถ้าให้พระไปทําอย่างนั้นมันก็มันก็จบนะมันก็จบคือสถานภาพของพระมันหมดไปนะมากลายเป็ น, นอะไรพวกผู้ช่วยแพทย์นะผู้ช่วยสาธารณสุขอะไรไปเราเราเราดึงเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าโครงสร้างเดิมเห็นไหโครงสร้างในพระบาลีเป็นอย่างนี้นะพระพราะว่าแนวที่ที่อยู่อย่างนี้กับแบบแบบเนี้ยแบบวัดหลวงปู่เทพแบบอะไรวัดประจันชาเนี่ยนะะ อย่างพรกพระผลาญวัดป่านานาชาติอะไรแต่ก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะอยู่แนวเนี้ยหมุนอย่างนี้จะไม่มีกิจกรรมในลักษณะที่นอกหลักสูตรจะแย่ไปหมดเลยแต่ว่าของเรามันมันเป็นคนก็สังคมไปกิจกรรมที่ที่พระอยู่ต่างจังหวัดเราต้องทำเนี่ยฮะท่านตั้งหลายจะเห็นว่ามันเกีย่ยวกับชาวบ้านนี้เยอะเลยคทั้งวันเนี่ยปัญหาสารพัดแล้วก็ มันไม่เป็นชิ้นเป็นนานแต่หมดทั้งวันวันมันหมดไปทั้งวันแต่ถามวันนี้มีอะไรม้างมันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรยมคนนั้นมาทีคนนี้มาทีคนนั้นเรื่องนั้นคนนั้นมายืมนั้นคนนั้นมาปรึกษานั้นคนนั้นมาขอร้องนั้นเอาคนนั้นทะเลาะกับคนนั้นขอให้ท่านช่วยพูดหน่อยเอาคนนั้นป่วยให้พระประยิณเนี่ยอิลิเกคายวันทั้งวันในพระเนี่ยไปผูกพันในเรื่องนั้นเพราะจริงๆแล้วในความเพียรตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไรหร่แล้ว ถามาทำไมไม่ทําก็ชาวบ้านไปวุ่นทันมากเนี่ยบ้านไปวุ่นวายทันมากไปขอร้องทันมากไปคือสารพัดเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นปัญหาสารพัดมันมีอะไรหมาขี้เลือนก็ไปทิ้งในวัดนะนะจนจนจนอะไรวะถ้าไม่ดีแล้วเอาไปทิ้งวัดหมด เ, เห็นไหมของหักสารพระภูมิหักอะไรแต่อะไรหักพระเครื่องหักอะไรเขาทิ้งวัดหมดเลยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดติแปลกทาให้ภาพ ภาพลักษณ์ของพระเป็นวิสีชีวิตของพระเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเพราะกลายเป็นคนของสังคมที่จะต้องช่วยเหลือสังคมและสังคมไปวาดหวังไว้มากไปตั้งความหวังไว้มากให้ใหใคล้ายๆ ก, ก, ก, ก, ก, กายสิทธิ์นะคล้ายๆกายสิทธิ์บวชได้จะต้องสมบูรณ์จะต้องเปิดปุ๊บติด ป, ปับ๊บถึงมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระถ้าเราเปิดโอกาสให้ เปิดโรกาสให้ท่านอยู่แบบเดิมจริงๆนะนะอยู่แบบเดิมจริงๆแต่ว่าไม่มีทางนะนะเราจะเห็นว่าพระพระที่เด่นที่ดังที่อะไรแต่ไรนะะเมื่อก่อนยังคุยกับเจ้าวาวัดวัดอินนะะก็ถามเขาว่าองนี้ก็ทำอะไรใหญ่ๆเลอเกินนะนะบารมีหลวงพ่อโตวัดอินเนะี่ยแล้วก็พูดถึงวัดต่างๆที่รวยปรากฏว่าเวลานี้อาจารย์คูณตีขึ้นมาเทียบกับวัดโสธร น, นะนะ วัดเงินเข้าวัดอาจารย์คูเนี่ยวันสองสามแสนสี่แสนเข้าไปได้ขนาดนั้นวัดวัดโสธรจะมีลักษณะอย่างไรเพราะโสธรเงินเงินเข้าวันหนึ่งเนี่ยฮะจเหลี่ยแล้วสองสามแสนถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วมาหือมาเลยนี่เห็นไหมฮเมื่อเช้าลูกศิษย์เขาไปอยู่นิ่สีแลนดเข้ามาแต่วัดอาจารเทพถามดูว่าคนยังเต็มระเบงยังเต็ม พระยันเทศเหมือนกันกนะวันสองสามแสนเวรนี้นะเดี๋ยวยันเทศก็เป็นการทั่วคราวในตอนที่ตั้งศพท่านดังนั้พระเหล่านี้เท่านั้นเองที่ชาวบ้านคบเข้าสนับสนุนส่งเสริมมากถ้าไปไปอยู่อย่างนั้นก็เจอแล้วกันสนใจใกล้าๆก็ไรใกล้ๆก็เห็นแก่ตัวแต่รูปแบบจริงๆแล้วนี่เราทำประโยชน์ตัวเองก่อนเมือนมึงก็นักเรียนนะเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือก่อนตอนเรียนหนังสือก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสังคมเท่าไรหรอก แต่ว่าเรียนมาเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเพราะงั้นโครงสร้างตรงนี้จึงเห็นว่าโครงสร้างเต็มรูปเลยกำหนดด้วยเวลากาหนดโดยเวลาแบ่งเวลาเป็นยามละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโม ง, โม ง, โมงบุนกันแล้ทำงานอะไรบ้างบอกไว้เสร็จเลยเราไม่มีเวลาว่างแล้วถ้าไปดูพระพุทธเจ้าตารางพุทธกิจพทธเจ้ามีพุทธกิจที่เป็นตารางเลย เป็นตารางตลอดทั้งวันเนี่ยพุทธเจ้าทำงานนอกจากว่าบินตบาตม า, าเสวยนิดหน่อยนะเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นแล้วมีเทศมีซ้อนมีอรบรมมีตอบปัญหามีตรวจดูสัตว์โลกทั้งวันทั้งคืนมูนก็นอย่างเงี้ยพักแค่ยามกลางพักแค่ยามกลางเท่านั้นเองแล้วพักด้วยเจตุทัยชาตินะพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็ใช้เวลาสักไม่ถึงสองชั่วโมงเวลาไม่ถึงสองชั่วโมง พระทับโดยสีห์นสัยยาตก็เรียกอนุฐานนสยยาต์อุทานนสยยาตคือนอนเพื่อจะลุกนอนเพื่อจะลุกขึ้นต่อไปพักหน่อยเดียวแล้วแต่พระเจ้าพักโดยชานคือหมายความมาเข้าชานปับหลับเลยไปร่างกายพักเต็มที่ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงตีได้ว่าสองชั่วโมงเพราะงั้นทํางานตลอดทั้งหลยี่สิบสองชั่วโมงวันหนึ่งพระเจ้าทํางานยี่บสองชั่วโมงซึ่งค่อนข้างกายเยสิตนะนะฮะง่ายกายเยสิต แต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การพักทรงพักให้เต็มที่ทำให้ร่างกายทำงานหนักตลอดระยะเวลา51ปีได้นะแต่ถ้าคนทั่วไปมันพักไม่หลับจริงอ่ะพักไมนหลับจริงก็ทำให้พลังมันไม่เพิ่มไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายมันก็สุดโซมไปเรื่อๆความเพียรในที่นี้จึงทรงเน้น ในแนวที่ปฏิบัติฝึกขัดจิตใจซึ่งโดยโครงสร้างเนื้อหาหลักนะฮะก็คือการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจดูจิตของเราสิ่งชี้ก็ว่าขัดเกาจิตแล้ก็ขัดภาชนะทองเหลืองภาชนะอะไรก็ตามนะถูพื้นขัดซักผ้าอะไรเนี่ยแนวนั้นว่าเห็นมันไอสิ่งสกปรกมันลดลงไปจางลงไปคลายลงไป แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนสิ่งดีงามขึ้นภายในจิตแล้ต้องเห็นสิ่งดีงามนะต้องเห็นสิ่งดีงามที่ใครเห็นนะเราต้องเห็นเองเราต้องเห็นเองเหมือนกับเรารู้หนังสือเราต้องรู้เองนะเราอิ่มเราก็ต้องอิ่มเองเป็นเรื่องที่เห็นเองแล้วก็เพียรพยายามรักษาส่วนของความดีเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็สรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าเป็นโยคัคเคมะ ไปไปถึงนิพพานนะอยกเกะเมาเนี่หมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พระ น, นิพพานเป็นทางปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานเรามาดูข้อที่สี่ก็นั่นแล้วนะฮะวิเยนาดุกมาเจติคนรวงทุกได้เพราะความเพียรแล้วอ่แล้วดูข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยนะสีเลนอนิบุติงยันติแล้วเห็นไหมมันมันก็แต่ละข้อนี่เป็นมรควิธี เป็นมรรควิธีที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลให้ประณีตมั่งยิ่งขึ้นแล้วก็ผสมกลมกลืนกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่สมบูรณ์มันจะไปลดเขาเรียกว่าการมายุค่ะไปลดเรื่องของกามนะเรื่องกิเลสกาบเรื่องเรื่องการไขวยควันกับสัญญาในพวกวัตถุกามทั้งหลาย แล้วก็ไปถ่ายถอนความยึดติดความไขวขวัญความต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในครบแล้วก็ทิฏฐิทิฏฐินั้นก็ลดลดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นลดประเภทที่เรียกว่าปเจกทิฏฐิคือทิฏฐิ ท, ที่มองไปในแนวเดียวพวกใช้อารมณ์ทั้งหลายนะฮะพวกใช้อารมณ์ทั้งหลายลองสังเกตว่าใช้ไปแนวเดียวอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ สี่สำนวนนั้นเรียกอีกคำหนึ่งว่าอิด้าเมวาสจังโมคามันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่าง อ, างอางื่นไม่ถูกต้องเพราะเป็นเหตุได้เฉียงกันเป็นทิจ ท, ที่เป็นเหตุได้เฉียงกันเพราะคนเราจับคนละมุมแล้วเมจบเลยนะไม่มีโอกาสที่จะประสานเพราะต่างคนต่างก็ยุดมั่นในมุมในจุดของตัวเองแล้วจนถึงก็ทําลายความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นสัจกญาติจิพวกนี้มาจากอะไรก็อีกอะมาจากอาวิชา เรียกอวิชฌะโอคะเกื อ, อวิชาอาวิชาก็คือความไม่รู้ซึ่งเป็นราก ง, งาวของที่มาของกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกกามพวกพว ก, พวกทิฏฐิ ท, ท, ท, ที่จริงมันเป็นอาการนะเป็นอาการของอวิชาอาวิชาก็คือกิเลสประเภทของของความหลงทีนี้ทำยังไงอ่ะก็มาสรุปว่าเป็นผู้เห็นภัยในความไม่ประมาท ไม่จะเห็นภายในความประมาทแล้วก็ดำรงอยู่ชีวิตอยู่โดยความไม่ประมาททั้งหมดเนี่ย พ, พูดมาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าความประมาทแม้ชั่วขณะก็ถึงตายนะเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุทั้งหลายก็เกิดขึ้น้วยความประมาทแต่ว่ามันก็ทำให้ตาย จะมีการฝึกปลือรักษาในด้านจิตใจไปเรื่อยซึ่งซึ่งความไม่ประมาทมันก็มีอยู่สามชุดใหญ่นะพูดเมื่อไหร่มันก็3มชุดตรงนั้นนะเน่ยชุดแรกก็คือเรื่องประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนั่นคือชุดหลักแล้วก็จากความไม่ประมาทในจุดเนี้ทำให้บคนนุคคลเห็นว่าเราจากเกิดจนถึงตายเนี่ย